นี้ไปเพื่อพากันตั้งใจ <c oughs> ตั้งความเพียรลงในใจทุกคนขาดความเพียรก็ทำให้กิเลสมันลุกขึ้นครอบงำจิตใจได้พราฉะนั้นทุกคนต้องอธิษฐาน ในใจของตนว่าเราจะมีความเพียรบากบัน่นตั้งใจมั่นว่าจะผาาเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมต่างๆออกจากกายวาจาใจให้ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อไม่ได้หมดก็ให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี้ให้ได้ ก็พึ่งพากันอธิษฐานในใจอย่างนั้นถ้าไม่อธิษฐานในใจอย่างนั้นแล้วมันจะไม่ตั้งใจทำความเพียรจะปล่อยให้กิเลสมันลอยนวลอยู่งั้นกิเลสนี้บางคราวมันก็สงบตัวอยู่เหมือนกับว่า ไม่มีกิเลสนั่นแหละภายในใจนะแต่มันไปนอนเนื่องอยู่เฉยๆเพราะมันยังไม่มีเหตุมเมื่อมันมีเหตุมากระทบเข้ามันจะเกิดกำเริบขึ้นมามแต่อย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจ มาพีดาเห็นว่าอาวใจเรามันสบายอยู่ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วก็ขี่เกียรติไตรพระนั่งสมาธิภาวนาโดยเห็นว่าใจของตนมันสบายอยู่อย่างนี้มันไม่ถูกนั่นแหละเป็นมายาของกีเลศอย่าเข้าใจว่ามันเป็นผู้รู้แจ้ง กิเลสมันแสดงมายาหลอกจิตให้หลงให้ไหลให้ปลอมมากไม่ให้ทำความเพียรสืบต่อพอเผลอเผลอตัวและวกิเลสมันงก็ลุกขึ้นคอบตามจิตให้จิตนั้นมัวหมองพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปนี่มายาของกิเลสเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ดังนั้นเราต้องตั้งสติเพ่งใจลงไปใจนี่มันอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่มีลมนี่แล้วใจนี่ก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้เลยจะต้องถอนตัวออกจากร่างกายนี้ เราเรียกกันว่าคนตายนนถ้าเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดกายกับใจนี่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้ mm hmm. ดังนั้นในการภาวนาท่านจะสอนให้ตั้งสติกำหนดเ่งลมหายใจเข้าหายใจออก oh. นี่เป็นอารมณ์ เพื่อจะได้ดูจิตดูใจตัวเองนั่นแหละถ้าไม่เพ่งลมหายใจเข้าออกี่ไม่รู้จักจิตเลยทีเดียวเลยจิตเป็นอยู่อย่างไรคิดอย่างไรไม่รู้เพ อ, ะอาะว่าสติเมื่อมันไม่ระลึกเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้ว โดยมามันก็ชอบระลึกไปภายนอกนู่นมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่อย่างนั้นตอนั้นเราฝึกภาวนานี่เรามาฝึกสตินี่ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวสติกับสัมปชัญญะเป็นคู่กันสติความระลึกได้ ระลึกถึงกายระลึกถึงใจนี่นะสัมปัชชัญญะความรู้ตัวรู้ว่ากายตั้งอยู่อย่างไรจิตตั้งอยู่อย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของสัมปัชชัญญะจะพึงกาหนดรู้ตัวเป็นอย่างนั้นจิตไม่สงบก็รู้ว่าจิตไม่สงบ จิตสงบอยู่ก็รู้ว่าจิตสงบจิตมันดิน้นรนกดแกงก็รู้ว่ามันดิน้นรนกดแกงแล้วก็จะได้เพ่งพินิดเข้าไปให้มันมากๆเข้าจนว่าให้มันหยุดกดแกงไปมาอันนั้นเพราะอาศัยความรู้นี่แหละเป็นเหตุถ้าไม่รู้ก่อนแล้วมันทำไม่ได้ เพีนงนั้นเพราะฉะนั้นภาวนาเบื้องต้นนี้จึงว่าให้ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นก่อนเพื่อสำรวมใจให้ตั้งมั่นลงไปเมื่อจใจตั้งมั่นแล้วมันก็ย่อมสามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรได้ เมื่อเราคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็จะปรากฏแจมแจ้งในใจเห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงอันนี้เป็นเรื่องภาวนาแต่ว่าการที่คนเราจะมีสมาธิภาวนาได้อย่างนี้มันก็ต้องพยายาม ทาความดีแต่เบื้องต้นนันมาให้สมบูรณ์แบบซะก่อนต้องเป็นผู้รู้จักเอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่แกเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นแกตัวนี่อุปกรณ์ ข, ของการภาวนา ต้องฝึกจิตใจของตนให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนเผอิญใ่จิตมีเมตตาเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันกันกบเรา ต่างคนก็เบื่อนายต่อความทุกข์ไม่มีใครต้องการความทุกข์ต่างคนต่างก็รักชีวิตนี้ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนทุบตีหรือว่าทำลายร่างฐานให้ล้มตายไปแม้เราต้องการอย่างนี้สันใดสัตว์อื่นก็ เขาก็ต้องการเหมือนกับเราแต่ว่าต้องการมีชีวิตอยู่ไปจนตลอดถึงอายุไขไม่มีใครอยากจะตายก่อนอายุไขเลยนี่เราต้องพิจารณาดูเขาดูเราอย่างนี้แล้วมันก็ย่อมเกิดเมตตาสงสารทั้งตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นขึ้นมา ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแบบนี้นะแม้ใครมาเบียดเบียนตนก็อโหสิกรรมให้เดี๋ยวว่ายกโทษให้ตนจะไม่ตอบโต้ก็ขืนตอบโต้กันไปก็เป็นกรรมเป็นเวรไปนี่แหละการที่คนเรารู้จักให้อภัยต่อกันและกันอย่างนี้มันก็อยู่ร่วมกันได้ ขวิสัยของปุถุชนนี่มันยังมีกิเลสตัญหาอาวิชชาครอบงาจิตใจอยู่บางคราวกิเลสตอนนั้นมันก็ระงับไปก็รู้ขึ้นมารู้ดีรู้ทั่วได้ทางคราวได้กิเลสตอนนั้นมนครอบงาจิตเข้าไปทำให้ลืมตัวไปทำอะไรผิดพูดอะไรผิดไม่รู้ตัวเผลอไป ก็มีนื่นผู้ที่ถกกระทบกระทั่งจากคนผู้เผลอตัวอย่างนั้นแล้วก็ต้องอภัยให้เพื่อนไปไม่ตอบโต้เมื่อเราอาภัยให้ไปแล้วเรื่องมันก็ไม่ลุกลามต่อไปมันก็สงบลงเหมือนอย่างตบมือข้างเดียวนี่ไม่ดัง ตกสองข้างแล้วดังเลยอยู่ันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเรื่องของความชั่วต่างๆผู้ใดสร้างขึ้นมาแล้วผู้นั้นก็ต้องเพียรละโดยตนเองจะไปผู้อื่นบังคับผู้เห็นให้ละอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครของเราเพราะว่าเมื่อตนเป็นผู้ สารตนก็ต้องเป็นผู้ขอบกันหอนั่นเนี่ <c oughs> ก็ตนเป็นผู้สร้างกิเลสตัณหาขึ้นมาเนี่ยนั่นเนี่ยแล้วก็ตนก็ต้องมีหน้าที่ที่จะขับไล่กิเลสตัณหาออกจากจิตใจนี่ในเมื่อมาเห็นโทษของกิเลสตัณหาแล้วแต่เมื่อก่อนนั้นไม่รู้ไม่เห็นโทษของมัน ไม่ว่ามันดีก็เลยสะสมมันมาไม่ใช่เฉพาะชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นที่ล่วงแล้วมานั่นไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบก็สะสมกิเลสมาอย่างนั้นวันนี้เมื่อมาเห็นโทษของมันแล้วเราจะมาละมันเอานิดๆหน่อยๆไม่แต่มาทําความเพียรละกิเลสนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้กิเลสนั้นมัน เบาบางไปหรือหมดไปสิ้นไปแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันสร้างอิทธิพลของมันมาในชีวิตจิตใจอันนี้มากต่อมากแล้วดังนั้นก็ศาสราจึงได้ทรงสอนให้มีความเพียรมีความบากบั่นไม่ท้อถอยเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปทมต่างๆนี้จิตเป็นผู้สร้างขึ้น จิตเป็นใหญ่เป็นประธานดังนั้นมันก็ไม่เหลือวิสัยเลยเมื่อจิตไม่เห็นไม่ชอบกับมันแล้วก็ละมันไปไม่ไม่สร้างมันขึ้นมาเพิ่มเติมอีกกิเลสที่มีอยู่แต่ก่อนนั้นก็ละมันไปไม่ยึดถือเอามันไว้เช่นนี้มันก็ อ่อนกำลังไปเองอะเมื่อจิตเราไม่ส่งเสริมมันนะจีเด็กใ ด, ดก็ดีเช่นราคะความกำหนัด จ, จินดีโมนีโทสะความคิดประทุต่ร้ายผู้อื่นโมหะความหลงความมัวเมาต่างๆโมนีนน ะ, ะเมื่อจิตไม่ส่งเสริมแล้วมันจะ มีกำลังแก่กล้าขึ้นไม่ได้เลยนี้แต่มันจะอ่อนกำลังลงมันสำคัญยุตอยู่ที่จิตไปส่งเสริมมันนี่นั่นแหละเล่น อ, อย่างว่าความโลภอย่างนี้เมื่อไปเห็นสมบัติผู้อื่นมากมากเข้าอย่างนี้จิตสิมันคิดอยากได้ก่อนร่างกายนั่นเอง เมื่อรับความอยากกันไม่ได้ผมก็วางแผนแล้วบันนี้ช่อโกงหลอกลวงเอาที่ที่เอาพล้นเอาสุดแรกแต่จะได้มาทางไหนจะผิดกฎหมายก็าตามผิดศีลธรรมก็ช่างไม่ว่านี่เนี่ยนี่หละจิตมันเป็นผู้สร้างขึ้นอย่างว่าความโลภนี้แต่ว่ามันอาศัยปัจจัยภายนอกด้วย อาศัยที่เห็นคนอื่นเขาร่มรวยมั่งมีกลัวตนน่ะเป็นมูลเหตุอ่ะความโกรธก็เหมือนกันนะแต่เพราะตามไปเห็นรูปที่น่าเกลียดหูมันได้ยินเสียงที่หน้าทั้งเสียงที่ไม่น่าพอใจต่างๆกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนี้ อันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วมันก็งุ่มงิดขึ้นมาในใจ น, นเมื่อกำลังงับความงาุ่มีดนั้นไม่ได้มันก็กลายเป็นความโกรธเมื่อกำลังงับความโกรดนั้นไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นความพยาบาทคราวนี้แสดงออกได้แล้วทางกายทางวาจาอถ้าไม่ถึงกับ แสดงออกทางกายทุบตีหรือทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆก็แสดงออกทางวาจาพูดทิ้นแทงเอาให้ฝ่ายโรงข้ามเจ็บอกเจ็บใจ <c oughs> นี่ทนายว่าโทสะนะให้เข้าใจมันลงตั้งเจตนาลงปะทธร้ายเข้อื่น ถ้าไม่ด้วยกายก็ต้องโดยวาจาอย่างนี้ท่านเรียกว่าโทสะให้เข้าใจไว้ถ้าระงับความไม่พอใจต่างๆภายในนั้นได้โทสะกอไม่เกิดจรระงับความโกรธความไม่พอใจต่างๆนั้นได้อยู่ภายในนั้นไม่แสดงออกทางกายทางวาจา ด น, นั้นโทสะก็มีไม่ได้นังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังมีสติสัมปัญญในไม่รู้ตัวว่ากิเลสคือความโกรธนี่มันยังตนยังละไม่ได้ขาดก็ต้องระวังมันจะทำพิษเอาจะได้รับความทุกข์เดือดร้อนทางตนและผู้อื่นเมื่อตนระวังอยู่มีสติสัมปัญญาอยู่อย่างนี้มันก็ยังชัว่ว ถ้ารู้ว่ามันเกิดโูหิขึ้นมาก็รีบกาโนดใจละมันเลยโบราณท่านยังแนะนำะความโกรธเกิดขึ้นก็ต้องนับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนพอนับไปอย่างนี้ละมันก็อาจบรรเทาลงในระหวา่าง นั่นแหละมันจะไม่ลุกลามขึ้นเต็มที่ได้แต่ปัจจุวันท่านสอนให้บริกรรมพุทโธหรือไม่จะได้ก็สัพเพสัตตาสุกิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจะมีเวณต่อกันและกันเลยต้องให้นึกคิดอย่างนี้ขึ้นในใจแทนการนับ พอเมื่อเราคิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วมันก็เกิดเมตตาจิตขึ้นมาเมื่อเมตตาจิตบังเกิดเสร็จแล้วความโกรธมันก็เบาบางลงนี่คาว่าเพียนพยายามในเข้าใจเพียนละกิเลสมันต้องเพียนอย่างนี้ธรรมะอันใดเป็นคู่ปรับกับกิเลสอันใดก็ต้องนึกถึงธรรมะอันนั้น ขึ้นมาเมื่อธรรมะอันนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วก็เจริญธรรมะนั้นไปบ่อยๆมากๆเข้าไปเมื่อธรรมะนั้นมีกำลังแก่กล้าขึ้นแล้วกิเลสนั้นมันก็อ่อนกำลังลงเพราะว่าจิตเราไม่ส่งเสริมมันนี่นต้องให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไป ทีแรกนี่มันจะเบาบางไปเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องเข้าใจมันไม่ได้เบาบางหรอกมีแต่มันจะหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละอย่างนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจต้องเพียนเพ่งพินิษ ด, ดูจิตใจของตนเสมอไปละ ต้องตามรักษาใจของตนด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอยู่เสมอไปไปไหนมาไหนก็ไม่ลืมจิตใจตัวเองพยายามควบคุมรักษาอยู่อย่างนั้นระวัตระวังภัยมันจะเกิดขึ้นแก่ตนภัยก็คือกิเลสดังกล่าวมานี่แหละ ถ้ามีสติระมัดระวังสัมรวมอยู่อย่างนั้นความหลงก็อข้ อ, องามจิตไม่ได้ออืก็เกิดความรู้ขึ้นมาอยู่ในใจเสมอไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงความโลภมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความโกรธก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ันนีมันไม่เพียงเพรพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังมันระงับได้แต่ถ้ามันเพียงแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ต้องดับเมันก็มีอยู่งั้นเรื่อยไปแต่นี่มันไม่เพียงเอยพอใจไม่ส่งเสริมมันเท่านั้นมันก็ดับไปนี่ครเดี๋ยวว่ามันมันรู้อย่างนี้แหละมันจึงไม่ส่งเสริมกิเลสนั่น เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงแต่บางอย่างมันมีพืษต่อจิตใจบางอย่างก็มีคุณต่อจิตใจอันของไม่เที่ยงนี่นะเราต้องแยกออกให้เป็นเช่นความเมตตาการุณามันนึกมันเจริญให้มากขึ้นในใจอย่างนี้นะนี่ความคิดอย่างนี้มันมีคุณอนน ต่อจิตใจดังนั้นเราต้องนึกถึงในสิ่งที่มีคุณต่อตัวเองและผู้อื่นเนี่ยแทนการที่จะมานึกถึงความโกรธความพยาบาทกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอันนั้นความคิดแต่นมันมีพิษต่อจิตใจเมื่อมีพิษต่อจิตตัวเองแล้วยังไม่แล้วยังลุกลามไปหาคนอื่นน่นด้วย อันกิเลสต่างๆเหล่านี้มันจะระ ง, งับไปได้จริงจังมันต้องระ ง, งับด้วยปัญญาต้องการพิจารณาให้เห็นเป็นสาภาวะธรรมต่างๆทัางที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหมู่นี้มันล้วนจะเป็นของไว้เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรฟวนดับไปสิ้นไป ไม่มีอะไรยัง่งยืนมาพิจารณาเห็นทรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยมันไม่อยู่ในบังคับปัญชาของผู้ใดเมื่อจิตปล่อยวางลงแล้ววันนี้จิตสงบระงับรวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันจะมองเห็น และเพราะว่าททั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีตัวตนแก่นสารอะไรเลยมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแต่สภาวธาตมเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นใดไม่ใช่มีดีมีชั่วเหมือนอย่างจิตใจยึดมั่นเถือมั่นอยู่นั่นนะมีรักมีชังมีหลง มีทุกข์มีโศกการที่มันเกิดมีเรื่องหัวนี้ขึ้นในใจก็เพราะว่าใจยึดกิเลสเหล่านั้นแหละไว้ไม่ยอมปล่อยวางถ้าเมื่อว่าจิดเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วเพียนปล่อยวางมันลงเมื่อมันระงับลงไปแล้วก็จะเห็นแต่เป็นเฉพาะว่าธาตุเฉพาะว่าธรรมไปเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่มีทั่วอะไรเลย ให้เข้าใจให้มันถูกต้องนะที่มันมีดีมีชั่วพอใจมันยึดถือเอาไว้ใจมันปรุงแต่งขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อใจไม่ปรุงแต่งปล่อยวางไปแล้วดีชั่วแล้วนะั้นมันดับไปหมดอแล้วบัด น, นี้มันมันเหลืออะไรมันก็เหลือแต่ความรู้จริงนั่นแหละอยู่ในใจแล้วนะควารู้จริง รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สราพวัตถุธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาสรรพวะตถุธรรมี่หมายเอาทั้งหมดเลยธรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลและธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลตลอดถึงพระนิพพานก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยแบบนี้เหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหลายเอาถึงพระนิพพานนุ่นก็เป็นอนัตตาดังนั้น่ะต้องมาเจริญปัญญาอย่างนี้ให้เกิดขึ้นอย่าให้มันติดอยู่แค่สมมุติบัญญิเท่านั้นคนส่วนมากมันก็มาติดอยู่แค่สมมติบัญญาเทนั่นแหละ สมมติว่าคนสมมุติว่าสัตว์อย่างนี้นะสมมุติว่าดีสมมุติว่าชั่วนี่คนนั้นดีน่ารักคนนั้นชั่วน่าเกลียดอของสิ่งนั้นสวยงามน่ารักน่าอยากได้ของสิ่งนั้นไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่าชังสัตว์ตัวนั้นน่ารัก ตับตัวนี้น่าเกลียดหน้าชังอะไรพวกนี้นะและตลอดจริงเงินอื่นก็เหมือนกันเนะี่ยอืะที่โลกมันสมมติกันขึ้นมาเมื่อจิตไม่รู้แจ้งมันก็เลยไปหลงรักหลงชังหลงโลกหลงโกรธอยู่อย่างนั้นเมื่อไปสร้างความโลกความโกรธขึ้นในใจอย่างว่านี่นะมันก็ปนไปเนรเทศได้ทําบาปแล้ววันนี้นะมีค่าสัตด รักทัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดทุกชนิดมันก็ทำไปได้โดยไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรมชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะความโลภความโกรธมันผลักดันเอามันมันมันมีอำนาจเหนือจิตใจ มันบังคับใจไม่ให้กลัวต่อกรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่แหละปล่อยให้มันเป็นใหญ่ในหัวใจกิเลสเหล่านี้มันก็ทำพิษแล้วมันทำพิษในภายหลังให้พากันเข้าใจอย่าไปเลี้ยงมันไว้ผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วนะ อย่าปเลี่ยงกิเลสเหล่านี้ไว้ไอครอบครัวตัวเรือนผัวเมียลูกเก้าไม่คลองรองสามัคคีกันเลาะวิวาทกันก็เพราะต่างคนต่างสะสมกิเลสเหล่านี้แหละขึ้นในใจไม่ใช่อื่นใครเช่นใครสามีทำอะไร ไม่ให้พออกพอใจภรรยาภรรยาก็ถือเอาวา่าตนเป็นภรรยาของเขาอยากว่าอะไรก็ว่ากันไปอยากด่าก็ด่าไปไปถือสิทธิ์เอาวา่าตนเป็นภรรยาเท่านั้นแหละจนเป็นเหได้เกิดทะเลาะวิวาดกันขึ้นฝ่ายสามีก็เหมือนกัน เมื่อภรรยาทำอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจโกรธขึ้นมาในใจแล้วก็แสดงออกทางกายทางวาจาด่าว่าเสียสีําหนิตีเ ต, ตียนอย่างรุนแรงบางทีก็ลงไม่ลงมือตอบตีกันไปโดยถือว่าเป็นภรรยาของตนตนมีสิทธิเต็มที่ตนซื้อออกมาแล้วเข้าใจ ว่าการแต่งงานการให้สินสอดไปนั่นถือว่าไปซื้อเอาผู้หญิงมาเป็นเมียเหมือนเหมือนอย่างที่ไปซื้อเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงนั่นแหละอยากทุกอยากตีอยากเอาไปฆ่าก็ฆ่าไปนั่นเรียกว่าเข้าใจผิดไปมากมายผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นความจริงนะ การให้สินสอดอันนั้นนะเป็นการแสดงน้ำใจออกเฉยๆก็มีความรักนั่นมีความพอใจศาขนาอยากเอาจะเป็นเพื่อนร่วมสุกร่วมทุกข์เป็นึกเพื่อนสร้างบุญสร้างบารมีกันไปเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะไปซื้อ เอามาเป็นทาสีทาสาอะไรอย่างไปซื้อวัวซื้อควายอย่างสิว่านั้นเนี่ยเ้าตั้งจิตตรงไปอย่างนี้ตั้งแต่เบื้องต้นนวลมาแต่คันเมื่อปล่อยให้กิเลสครอบงำแล้วมันก็ลืมตัวไปถือว่าตนมีอํานาจเหนือเขาทําอะไรก็ทําไปเช่นนี้เราไม่ยับยั้งชั่งใจไว้เลย ไม่ไม่เคารพกับถือกันหมายความว่างั้นเนี่ยไม่ให้เกลียดแก่กันและ ก, กันเลยอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าความประพฤติต่อกันไม่เป็นธรรมมันก็เลยทะเลาะวิวาทกันหาความสงบระ ง, งับไม่ได้นี่นี่พูดถึงโทษของความโลภโกรธหลงนี่นะมันทําให้วุ่นเอาจริงๆผู้ครองเรือนก็ทําให้วุ่นอยู่ในครอบครัวเลย เพราะความโลภความโกรธเหล่านี้มันทําให้คนเรามีทิฐิมานะมากทําให้คนถืออํานาจบารใจโดยไม่เป็นธรรมอย่างนี้แนะเพราะฉะนั้น่ะพึ่งพาการปั้งอกตั้งใจทําความเพียนเพ่งพิจารณาให้เห็นจิตเลตตันหาเหล่านี้อย่าไปถือว่ามันมีอํานาจเหนือตนตนไม่มีความสามารถ ที่จะละมันได้ท้อใจเสียไม่เพียนละมันเช่นนี้แล้วมันก็จะออก่อความทุกข์ให้แก่ผู้นั้นเลือ่อยไปชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อไปไม่มีสิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเพียนพยายามละมันโดยอาศัยการให้ทานการรักษาพี้น